บ o ๊กทเจ็ดสิบสชอบอยากคุณอยากสูบบุหรี่ไหมคุณอยากเต้นรำไหม เจลิเตลิเพลสัติคุณอยากไปเดินเล่นไหมเจลิเ e ลิเชตติที่ฉันอยากจะสูบบุหรี่ยา e เจลิ u พุชิติคุณอยากได้บุหรี่สักมวลไหมเจลิชลีซิการาตุเขาอยากได้ไฟแชก ฉันอยากดื่มอะไรหน่อยฉันอยากทานอะไรหน่อยฉันอยากพักผ่อนหน่อย ดิฉันอยากถามอะไรคุณหน่อยดิฉันอยากขอร้องอะไรคุณหน่อยดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณดิฉันอยากจะเลี้ยงคุณ คุณจะรับอะไรดีคะฉันจะคุณจะรับกาแฟไหมคะคหรือว่าคุณจะรับชา ด, ดีคะ่ะ i ล, ลิเต้ชเราอยากจะขับรถกลับบ้าน m i เสจลิโคุคุณต้องการรถแท็กซี่ไหมพวกเขาอยากโทรสันนีกรุณาไปที่ www. b o o k t o de